ถ้าหาว่าเราไม่ใช่คนผอมแห้งแรงน้อยไม่ขาดอาหารไม่หิวโหยนี่ก็ถือว่าโชคดีนะแต่ก็ยังวางใจไม่ได้นะเพราะถ้าเกิดว่าเรากินอาหารมากไปจนร่างกายอ้วนท้วนมีน้ําหนักเกินแบบนี้ก็ไม่ดีนะเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บนี้ก็มีสูง มันมีงานมันมีรายงานเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะว่าว่าเนี่ยคนครึ่งโลกนะครึ่งโลกนี่ก็ประมาณสักเกือบสี่พันล้านคนถ้าไม่กินน้อยเกินไปก็กินมากเกินไปหมายก็ว่าทาไมหิวโหยนะพราะขาดอาหารหรือว่าอาหารไม่เพียงพอก็ อุดมสมกินอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์มากเกินไปจนล้นเกินว่าไม่น้อยเลยนะสี่พันล้านคนนี่กินอาหารทําไมมากไปแล้วก็น้อยไปกินอาหารน้อยไปนี่ก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บกินอาหารมากไปก็เหมือนกันนะนี่เขาประมาณว่าเนี่ยผู้ใหญ่นะ เพโลกที่ตายเนี่ยในปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยหนึ่งในสี่เนี่ยตายเพราะอาหารหรือกินอาหารที่มันไม่พอเหมาะพอดีก็คือว่าถ้าน้อยไปก็มากไปถ้าไม่น้อยไปก็มากไป หนึ่งในสี่เลยนะที่ตายใแต่ละปีเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับอาหารแล้วก็ไม่ใช่แค่ขาดอาหารอย่างเดียวแต่ว่ากินอาหารล้นเกินโดยเพราะในประเทศที่ร่ำรวยนี่อย่างเช่นอเมริกาหรือยุโรปนี่เพราะว่าคนที่ตายก่อนวัยอันควร พอกินอาหารมากไปเนี่ยไม่ถึงเกือบหนึ่งในสามเลยนะไม่น้อยเลยนะกินอาหารมากไปก็ทําให้ตายเร็วได้เหมือนกันหรือว่าตายก่อนวเวรควรก็คือตายเพราะโรคหัวใจโรคเบาหวานหรือว่าโรคหลอกเลือดสมองที่ทําให้เส้นเลือด ในสมองแตกเนียอันนี้ก็เกี่ยวกับไขมันที่มันพอกพูนในร่างกายและเดี๋ยวนี้เนี่ยนะการกินอาหารมากไปเนี่ยมันไม่ใช่มีผลต่อสุขภาพของเราเท่านั้นนะมันก็มีผลเสียต่อโลกด้วยต่สอสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้เนี่ยเราการผลิตอาหารของเราเนี่ยโดยเพราะอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เนี่ย ว่ามันก่อปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมมากเพราะว่าก็เพราะาเนี่ยการผลิตอาหารตัวมันเองเนี่ยนะมันก็ทําให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่มากเลยนะหนึ่งในสามของก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเกิดจากการผลิตอาหารทั้งเกษตรอ่าทั้ง ปลูกพืชปลูกข้าวแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะการสูญกระจกนี่ก็คือการที่มันทำให้เกิดโรคร้อนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่นะของโลกทุกวันนี้มันร้ายแรงกว่าโควิดอีกนะโควิดนี่ก็ยังพอจะมองเห็นวันที่มันจะยุ ต, ติซึ่งก็ใกล้เข้ามาแล้วแต่โรคร้อนนี่ ไม่รู้ว่ามันจะยุติเมื่อไหร่และที่เกิดขึ้นตอนนี้มันก็เรียกว่าแค่เพิ่งเริ่มต้นนะแล้วกว่ามันจะบรรเทาเบาบางนี่ก็อาจจะเป็นสัตวรรษหากว่าแก้ไขกันจริงจังนะแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยนี่ก็ยืดเยื้อยาวนานเป็นหลายร้อยปีเลยทีเดียวให้เรื่อง การปล่อยก๊าซเซอรกระจกเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญและที่มันเป็นตัวการปล่อยก๊าซเซอรกระจก น, นอกจากอุตสาหกรรมนอกจากการสัญจรโดยรถยนต์ที่ใช้น้ํามันแล้วนี่การผลิตอาหารของเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของคนเนี่ยทั่วโลนี่ก็มีส่วนมาก และตัวการสำคัญนะก็คือการาผลิตอ า, อาหารที่เป็นเนื้อสัตว์นะเพราะว่ามันใช้พลังงานเยอะและมันต้องอาศัยการาทำลายป่าอย่างก็เพราะว่าเนี่ยอาหารเนื้อหนึ่งจานเนี่ยนะอาหารที่เป็นเนื้อหนึ่งจานเนี่ยมัน มีผลนำให้เกิดก๊าซเรืองกระจงนี่ร้อยเท่าเลยนะของอาหารที่อเป็นผักเป็นผลไม้หรือว่าทำจากผักเช่นพวกเต้าหู้หรือว่าพวกเนื้อเทียมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักด้วยนะเวลาเรากินอาหารนะ นอกจากกินเพื่อดูแลร่างกายให้ดีระมัดระวังไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยแล้วเนี่ยก็ต้องพิจารณาต่อไปด้วยนะว่าอาหารที่เรากินเนี่ยมันก่อปัญหากับสิ่งแวดล้อมไมส่วนใหญ่เราเมืก็าเราจะมองไปที่ปลายทางว่าเนี่ยอาหารถ้ากินไม่หมดมันจะกลายเป็นขยะมันก็จะกลายเป็นก่อมลพิษกับสิ่งแวดล้อม อันนั้นคือปลายทางอาหารซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรากินอาหารแล้วกินไม่หมดก็ทิ้งตังอาหารมาเยอะพอกินไม่หมดก็กลายเป็นขยะสร้างภาระรากับสิ่งแวดล้อมนั่นก็เรื่องหนึ่งแล้วนะแต่ว่าต้นทางนีเสียนะต้นทางนี่ก็ไม่เบาเนะี่ยต้นทางคือกระบวนการผลิตอาหารเนี่ยก่อนจะมาถึงเรา ลวนการขนส่งด้วยเนี่ยโอม้มันสร้างปัญหาให้กับโลกมากทีเดียวนั้นเวลาเรากินอาหารนะการมีสติสำคัญมากสติในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงกินแต่ช่วยให้กินอย่างรู้จักประมาณไม่มากไม่น้อยนะ อั น, นันก็สำคัญนะต้องอาศัยสติเพราะเดี๋ยวนี้อาหารนี่มันอร่อยอร่อยมีเยอะแล้วก็ราคาถูกหาง่ายการกินอย่างมีสติเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่หมายถึงการรู้จักบริโภคอย่างประมาณอย่างรู้จักประมาณแต่ก็ต้องรับผิดชอบต่อธรรมชาติด้วยอาหารที่เรากินนอกจาก กินโดยไม่ก่อปัญหาสุขภาพให้กับร่างกายของเราแล้วเนี่ยก็ต้องพิจารณาด้วยนะว่ามันจะสร้างปัญหากับธรรมชาติไหมตัวนี้เราอยู่สบายมากขึ้นนะแต่ความสุขสบายเนี่ยมันก็ต้องมาพร้อมความรับผิดชอบนะรับผิดชอบคือรับผิดชอบต่อโลกต่อธรรมชาติธรรมชาตินี่ให้อาหารแก่เราทาให้เรา มีกินอย่างอุดมสมบูรณ์เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ต้องรับผิดชอบไม่ให้ชีวิตของเราการบริโภคของเราเนี่ยไปสร้างปัญหาให้กับธรรมชาติด้วยนี่เป็นเรื่องของการมีสติเลยก็ว่าได้นะสะตินี่ไม่ใช่กินโดยรู้เท่าทันความอยาก ไม่ปล่ยให้ความอยากข่มงำจใจแต่รวมถึงว่ามีความตระหนักรู้ว่าสิ่งที่เรากินสิ่งที่เราใช้นี่มันจะก่อปัญหากับธรรมชาติแวดล้อมแล้วก็ผู้คนคนอื่นที่มากมายด้วยหรือเปล่านะอันนี้มันกลายเป็นความรับผิดชอบอย่างใหม่นะที่เราต้องใส่ใจคือรับผิดชอบต่อสุขภาพของตัวเองแล้วก็รับผิดชอบต่อโลก ทางธรรมชาติแล้วก็ผู้คนที่เราอาจจะไม่รู้จักนั้นหลายคนเนี่ยตอนหลังนี้ก็หันมากินอาหารมังสวิรัตมากขึก้นกินเนื้อน้อยลงร้านค้าหลายแห่งนี่ในเมืองนอกนี่เขาบางวันนี่เขาจะไม่ขายเนื้อเลยนะขายแต่มังสวิรัตหรือถ้าใครจะกินเนื้อก็จะคิดราคาแพงใครกินมังสวิรัติก็คิดราคาถูกอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมการบริโภคที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็ ต่อธรรมชาติด้วยอันนี้เรว่าต้องรู้จักกินเพื่อถนอมสังขารร่างกายและกินเพื่อถนอมโลกเลยนะ